เชื่อว่าผู้มีจิตเจ็บร้อนในการให้เพราะอัิบาว่าจิตย่อมเป็นไปด้วยความเจ็บร้อนคือขัดเคืองเพราะเห็นพวกยาจกเห็นพวกมาขอออกมาเครียดเลยนะภาวะแห่งผู้มีจิตเจ็บร้อนในการให้ชื่อว่าความเป็นผู้มีจิตเจ็บร้อนในการให้อีกอย่างหนึ่งการถือทัพพีท่านเรียกว่ากระตุกกะก็เมื่อบุคคลจะเอาข้าวใส่หม้อข้าวให้เต็มถึงขอบหม้อใช้ทัพพีสําหรับตักข้าวที่บิดเบี้ยวไปทุกเอ ส่วนเนี่ยตักใส่ย่อมไม่อาจใส่ให้เต็มได้จิตของบุคคลผู้มีความตรนีนั้นก็ย่อมหดหูเหมือนถ้าพีเบี้ยวอ่ะนะเ็นไหมถ้าพีเบีย้ยกระงกกะงอตักอะไรไม่ได้อนะจิตที่ไอหดหูตรณีก็เหมือนกันนะั่นแหละแม้กายของเขาก็หดหูโค้องงอบิดเบี้ยวนะหน้าตามันบิดมันเบี้ยวมันบูดไปหมดแล้วอนะ่ะอย่างนั้นเหมือนกันก็ไม่เหยียดไม่ยื่นออกได้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าผู้ตรนนะีเห็นให้ทานก็ทําหน้าเบ้เ น, นะนี่ยนะหนาคตกับหน้าเบ้ย่ยางที่ทําหน้าไวนั่นแหละ มันทำหน้าอย่างไรก็จะสมควรแก่หน้าอย่างนั้นเลยเคยเห็นไหมคนหน้าแบบนั้นมีนะมีจริงๆอ่ะนะนางทีหน้าปูดออกข้างหนึ่งเป็นต้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะโทษแห่งความตนีความมัจเฉริยะก็บุคคลผู้ตนีเป็นผู้ไม่ประสงค์จะให้สมบัติของตนแก่ผู้อื่นประสงค์จะถือเอาสมบัติของผู้อื่นอย่างเดียวนะไม่ต้องการให้อะจะเอาอย่างเดียวลักษณะแห่งความตนีนี้พึงทราบ ว, ว่ามีลักษณะซ่อนสมบัติของตน และมีการถือเอาสมบัติของผู้อื่นเป็นลักษณะด้วยสา ม, มารถแห่งความตรนีที่เป็นไปว่าจงเป็นของเราเท่านั้นอย่าเป็นของผู้อื่นถ้าตนีมากๆแบบแหว่ความอัศจรรย์อันเนี้ยจงมีแต่เราอย่ามีแก่ผู้อื่นส่วนที่ว่าตรนีขันเป็นต้นเนี่ยนะคืออุปติภพกล่าวคือขันของตนเนี่ยไม่สาธารณะของคนอื่นๆชื่อว่าตนีความตนีที่เป็นไปว่าเราเท่านั้นจงเป็นของเราเท่านั้นอย่าเป็นของผู้อื่นชื่อว่าตนีขัน คือคือสิ่งนั้นอ่ะจะเราอย่างเดียวอ่ะคนอื่นไม่ต้องอะนะน่ยนะพวกนี้ตรนี่ขัน่ะตระนี่ธาตุก็เหมือนกัน <c oughs> ทีนี้พวกที่ตระนีอย่างนี้เนี่ยนะก็เชื่อว่าตกต่ำนะเนี่ยต่ําขนาดไหนอ่ะชาติหน้าก็เดือดร้อนนะนะ่เดือดร้อนอยู่แล้วเนี่ยนะขณะที่ตรนีก็ยังทุกข์ยากแล้วผลแห่งความตนีเนี่ยจะทุกข์ยากขนาดไหนสัตว์นั้นก็ที่เชื่อว่าตกต่ําเนี่ยนะก็เพราะว่าไม่เชื่อถือถ้อยคํา ไม่เชื่อถือคำถ้อยคําเทศนาคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยชื่อว่าเป็นผู้ตกต่ําอย่างไรถ้อยนะสัตว์ทั้งหลายไม่เชื่อถือไม่ฟั ง, ไ ม, ง, งไม่เงียสลดลงฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรับรู้ถ้อยคําเทศนาคําสอนของพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ไม่เชื่อไม่ฟังไม่ทําตามคําประพฤติฝ่าฝืน้นเบือนหน้าไปทางอื่น สัตว์ชื่อว่าไม่เชื่อถ้อยคําเทศนาคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ตกต่ํานีนะต่ำขนาดไหนะคิดดูไม่อยากเห็นไม่อยากรับรู้พระธรรมคำสอนก็ต้องมุดดินอยู่นะก็ต้องไปอยู่ในที่มืดที่บอดนั่นแหละเพราะอะไรเพราะไม่ใฝ่ใจเพื่อที่จะรู้ธรรมของพระอริยะเพื่อจะออกจากวัฏฏะมันตัวเองก็ปกปิดตัวเองไว้ใช่ไหมยิ่งปิดมากยิ่งมืดมากนะปิดหนักๆเข้าเกิดมาไม่รับรู้แสงสว่างเลยนะ พวกปลวกพวกอะไรบางตัวในยอยู่ในเกิดในที่มืดแก่ในที่มืดเจ็บในที่มืดตายในที่มืดไม่ใช่น้อยสัตว์ที่อยู่ใต้ผิวดินนะมากกว่าที่พ้นออกมาจากแผ่นดินเนี่ยนะมีมากเพราตัวที่อยู่ผิวดินเนี่ยตัวนิกตัวเล็กตัวน้อยตัวกระจิตริเนี่ยนะคิดดูเพเื่อแน่โอ้ยหันหน้าไม่ชอบคําสอนเมื่อไม่ชอบคําสอนก็แปลว่าเขาไม่ชอบความดีเขาไม่ต้องการทําดี เขาไม่ต้องการทำกายสุจริตว จ, สจีสุจริตมโนสุจริตมโนสุจริตเขาไม่ต้องการรับรู้กรรมและผลของกรรมเขาจะปิดหน้าปิดตาเนี่ยนะเดินไปตามตามทางของเขาอะ่ะเขาไม่อยากรู้ทางดีทางชั่วเพราะฉะนั้นอนาคตของเขาต่อไปอะ่ะคือที่ไหนถ้ามาเป็นสัตว์เหล่านี้อยู่แล้วเนี่ยนะแต่ก็เดรัจฉานเหล่านี้เราก็มุติตาให้ได้นะเออดีกว่าตกนรกอนะตกเนกี่ยก็ยังอยู่เฉยๆยังไงก็ยังดีตกนรกแกไม่ได้นิ่งขนาดนี้หรอกว่ากัน สัตว์เหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในกรรมอันไม่สม่ำเสมอเนี่ยนะกรรมที่ไม่สม่ำเสมอคืออะไรก็คือตั้งอยู่เฉพา ะ, ะตั้งอยู่ตั้งอยู่เฉพาะติดแน่นเข้าถึงติดพันติดใจเกี่ยวข้องเกาะเกี่ยวอยู่ในความชั่วทางกายชั่วทางวาจาทั่วทางใจเนี่ยนะคืออะไรบ้างอะ่ะก็ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการกล่าวเท็จกล่าวคำสอเสียดพูดคำยาพูดคำเพ้อเจ้ออภิชาเพ่งเล็งคนอื่นปองร้ายคนอื่นมีความเห็นผิดเนี่ยนะ ทั้งหมดเนี่ยล่วงกรรมาบทครบองนำเกิดอบายได้หมดอ่ะสัตว์ทั้งในสังขารทั้งหลายเนี่ยนะคือเห็นผิดในสังขารในสัตว์เนี่ยหรือว่าเพลดิดเพลินหมกมุ่นใจเกาะเกี่ยวในกามคุณห้า น, นะนี่วณห้ายอมความคิดความอ่านความปรารถนาะความตั้งใจอันไม่สม่ำเสมอเนี่ยจึงเรียกว่าผู้ตกต่ำํำตั้งอยู่ในกรรมไม่สม่ำเสม อ, อ น, นะคือความชั่วทางกายทางวาจาทางใจของเขา อ, อ, อ่ย น, นะ พันเวลาที่เราเห็นคนที่ทําชั่วด้วยกายวาจาใจให้รู้เธอว่าเขาเป็นผู้ตกต่ําเนี่ยนะนั่นเป็นผลแห่งความตกต่ําต่ําในที่สุดก็จะไปสู่อาบายเนี่ยนะเวลาเห็นสัตว์ในอาบายก็รู้ว่าเขาต่ํามานานแล้วเนี่ยนะเขาจึงมาเกิดในอาบายเนี่ยเพราะเขาตกต่ามาก่อนเขาจึงมาต่ําขนาดนี้ถ้าเขาไม่ทําดีก็จะต่ํายิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะมีจะต่ํา่ๆเฝ้าขันเนี่ยนะขันที่น่าเกลียดหน้ากลัวเท่าไหร่ก็ต้องอยู่หมกมุ่นอยู่กับขันนั่นแหละ นี่ต่อไปว่าเข้าถึงทุกแล้วเนี่ยนะก็ย่อมรำพันอยู่ว่าตัวเองเข้าถึงทุกเนี่ยคือเข้าถึงทุกประสบทุกขประจบทุกถึงมารประสบมารประจวบมารถึงมรณะประสบมรณะประจบมรณะเข้าแล้วถึงทุกเข้าแล้วก็คือเกือบตายแล้วนะใกล้จะตายแล้วอ่ะพอตายอย่างนี้เขาก็รำพันพร่ำถึงเพ้อถึงโศกถึงลำบากใจ รำพันคล่ำครวนหลงไหลหลงไหลเขาเขาเดือดร้อนเขาคล่ำครวนว่าอย่างไงเขาว่าเราตายเคลื่อนจากภพนี้แล้วจักเป็นอะไรนาะเนี่ยนะก็มีอธิบายว่าสัตว์เหล่านั้นอะเล่นไปสู่ความสงสัยเล่นไปสู่ความเคลือบแคลงเกิดความไม่แน่ใจพูดถึงเพ้อถึงโศกถึงลำบากใจถึงรำพันตบอกคล่ำครวนถึงความหลงไหลอยู่ว่า เราทั้งหลายเคลื่อนจากภพนี้แล้วจะเป็นอะไรเนาะคือจะเกิดในนรกเกิดเป็นเดรัจชานเป็นเปรตเป็นมนุษย์นะหรือจะเป็นสัตว์มีรูปสัตว์ไม่มีรูปสัตว์มีสัญญาสัตว์ไม่มีสัญญามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เนียบางทีก็สงสัยว่าอนาคตเนี่ยมีอยู่หรือเนออนะชาติหน้ามีหรือเปล่าเนาะนะก็ถ้ามีก็สัตย์สัใช่ไหมถ้าบอกไม่มีก็อุเฉทิธิแล้วเราเนี่ยถ้ามีเี่จะเกิดเป็นอะไรเนาะจะเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตร ทีนี้ถ้าไปเป็นกษัตริย์พรามแพทยสูตรแล้วจากอะไรจะเป็นอะไรต่อไปอีกนาะเนี่ยนะเราก็เลยสงสัยอยู่ในอนาคตพระ อ, องค์ก็บอกว่าสัตว์เหล่านั้นปรารถนาขวนขวายหลงไหลอ ย, อยู่ในกามคือใช้ชีวิตหมกปรารถนากามอยู่ตลอดขวนขวายเพื่อกามหลงไหลอ ย, อยู่ในกามติดอยู่ในกามก็ตกต่ำํำตกต่ําทั้งด้วยไปต่ําจริงๆงนะนีไปต่ําจริงๆความตระหนีด้วยไม่สนใจคําสอน ทีนี้ก็ตั้งอยู่ในความชั่วทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยพอใกล้จะตายเข้ามาเกือบจะตายก็รำพันอยู่ว่าเราตายจากนี้แล้วจะเป็นอะไรเนาเนี่ยนะจะเป็นยังไงเนาะจะตกนรกหรือเปล่าเนาะก็เดือดร้อนอ่ะนะฉะนั้นคนตายส่วนหนึ่งจะเครียดเนี่ยขออภัยคนเกือบตายะนะคนเจ็บคนป่วยทั้งหลายส่วนใหญ่จะเครียดเพราะว่าเขาคิดถึงถึงพบหน้าเขาก็จะเดือดร้อนอ่ะนะ เรียกว่าลืมตาเห็นโลกนี้หลับตาเห็นโลกหน้าเนี่ยนะฮั้นสิ่งที่เขาคิดถึงมันไม่ใช่บุญเมื่อไม่ใช่บุญเขาก็เดือดร้อนอ่ะบางทีคตินิมิต ท, ที่มาปรากฏต่อหน้าต่อตาเขาเป็นคติที่ไม่น่าพอใจเนี่ยนะเป็นเช่นเห็นไฟนรกเป็นต้นเห็นพวกสตัตว์เดรัจฉานเป็นต้นเนี่ยเขาก็รู้ว่าโอยเดือดร้อนแน่ทุกข์แน่ท่านก็รำพึงรำพันว่าโอ้ยตายแลย้วจะไปไหนเนาเนี่ยนะของเราต้องรอให้ถึงเวลาอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ต้องดันั้นพระองค์จึงแนะนาําคาถาต่อไปว่า เพราะฉะนั้นแลสัตว์ผู้เกิดมาเนี่ยนะถ้าเกิดมาแล้วนะได้ชีวิตแบบนี้แล้วอ่ะพึงศึกษาสิกขาสามในศาสนานี่แหลพึงรู้กรรมอันไม่เสมออย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้ว่าเป็นกรรมอันไม่เสมอคือรู้ดีรู้ชั่วนะไม่พึงประพฤติกรรมอันไม่เสมอคืออย่าทําชั่วเพราะเหตุแห่งกรรมอันไม่เสมอนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตนี้น้อยนักเนี่ยนะชีวิตเนี่ยเหลือน้อยเพราะฉะนั้นก็ให้ศึกษาในสิกขา นะอธิสีนอาธิจิตอธิปัญญานะเพราะว่าอย่าไปทำความชั่วเพราะชีวิตนี้มันน้อยเหลือเกินเนี่ยนะ